นิวรณสูตรว่าด้วยนิวรณเครื่องกลางกรั้นภิกษุทั้งหลายนิวรณเครื่องกลางกรั้นห้าประการนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญานิวรณเครื่องกลางกั้นห้าประการอะไรบ้างคือ 1. นึกามฉันทะเป็นนิวรณเครื่องกลางกรั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญา 2. พยายบาทเป็นนิวรเครื่องกลางกรั้น เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกําลังปัญญา 3. ทีนะมิทะเป็นนิวรนเครื่องกลางกั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกําลังปัญญา 4. อุทจักจักรกุจจะเป็นนิวรนเครื่องกลางกั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกําลังปัญญา 5. วิจิกิจฉาเป็นนิวรนเครื่องกลางกั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกําลังปัญญา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 ไม่เป็นความเศร้ามองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจใฝ่ใจสารวมใจเงียโสสดับธรรมภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงียโสสดับธรรมสมัยนั้น นิวรณ์ประการย่อมไม่มีแก่เธอโพชฌง7ประการย่อมถึงความเจริญเต็มที่นิวรณ์5ประการย่อมไม่มีแก่เธอในสมัยนั้นอะไรบ้างคือ 1. กามชัญทานิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 2. พยาบาทนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 3. ทีณามิทานิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 4. ภูทัตจะปุกุจจะนิวรย่อมไม่มีในสมัยนั้น 5. วิจิกิจฉานิวรย่อมไม่มีในสมัยนั้นนิวรห้ประการย่อมไม่มีแก่เธอในสมัยนั้นโพชชงเจ็ประการย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้นอะไรบ้างคือ 1. สติสัมผู้ชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้นละถึง 7. อุเบคาสัมผู้ชง ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้นโพชฌงเจตประการนี้ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้นภิกษุ์ทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงียโสสดับธรรมสมัยนั้นนิวรณหประการย่อมไม่มีแก่เธอโพชฌงเจตประการนี้ย่อมถึงความเจริญเต็มที่อาวารณนิวรณสูตรที่แปด รุกสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ภิกษุทั้งหลายต้นไม้ใหญ่ที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มระเนระนาดต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มระเนระนาดได้แก่ต้นอะไรบ้างคือต้นโพต้นไซต้นเลียบต้นมะเดื่อ ต้นกัจจะกะต้นมะขิด ต, ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะบกคลุมเป็นเหตุให้ล้มหักลงชันใดกลุ่มบตฏบางคนในโลกนี้ก็ชันนั้นเหมือนกันและกามเช่นใดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปะชิตเขาย่อมถูกกามเช่นนั้นหรือสิ่งที่เลวกว่านั้นทำให้หักล้มลงภิกษุทั้งหลายนิวรณเครื่องกลางกั้นห้ารประการนี้ครอบงำจิตแล้ว ทอนกำลังปัญญานิวรณ์เครื e ่องกลางกั้น5ประการอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นครอบงำจิตแล้วทรนํำลังปัญญา 2. พยาบาทเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นครอบงำจิตแล้วทอนกาลังปัญญา 3. ทีนมิทะเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นครอบงำจิตแล้วทอนกำลังปัญญา 4. อุทจักกุกกุจจะ เป็นนิวรณเครื่องกลางกั้นครอบเมจิตแล้วทอนกำลังปัญญา 5. วิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นครอบเมจิตแล้วทอนกำลังปัญญานิวรณเครื่องกลางกั้น5ประการนี้ครอบงมจิตแล้วทอนกำลังปัญญาภิกษุทั้งหลายผู้ชงเจ็ประการนี้ไม่เป็นนิวรณเครื่องกลางกั้นไม่ครอบงมจิตที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติโพชงเจประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโูชงไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นไม่ครอบงำจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติและถึง 7. อุเบกขาสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นไม่ครอบงำจิต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 นิวรณสูตรว่าด้วยนิวรณ์ภิกษุทั้งหลายนิวรณ์หประการนี้ทําให้เป็นเหมือนคนตาบอดเป็นเหมือนคนไม่มีดวงตาทําให้ไม่รู้อะไรมีปัญญามืดบอดเป็นไปในฝ่ายความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนินนวรณ์หประการอะไรบ้างคือหนึ่งกรามะฉันทานิวรณ์ทําให้เป็นเหมือนคนตาบอด เป็นเหมือนคนไม่มีดวงตาทําให้ไม่รู้อะไรมีปัญญามืดบอดเป็นไปในฝ่ายความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 2. พยาบาทนิวรนทาให้เป็นเหมือนคนตาบอดละถึง 3. ทีนามิทะนิวรนทําให้เป็นเหมือนคนตาบอด 4. อุทจักปุกุจานิวรนทําให้เป็นเหมือนคนตาบอดห วิจิกิจฉานิวร์ทำให้เป็นเหมือนคนตาบอดเป็นเหมือนคนไม่มีดวงตาทำให้ไม่รู้อะไรมีปัญญามืดบอดเป็นไปในฝ่ายความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนิวร5์หประการนี้ภิกษุทั้งหลายโพ้ชงเจประการนี้ทำให้เป็นเหมือนคนมีดวงตาทำให้รู้จเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝ่ายความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพาน โคชงเจ็ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโคชงทําให้เป็นเหมือนคนมีดวงตาทําให้รู้เจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝ่ายความคับแค้นเป็นไปเพื่อ น, นิพพานละถึง 7. อุเบกขาสัมโคชงทําให้เป็นเหมือนคนมีดวงตาทําให้รู้เจริญปัญญาไม่เป็นไปใ น, ปนฝ่ายความคับแค้นเป็นไปเพื่อ น, นิพพานภิกษุทั้งหลาย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 พระสูตรที่มีในวัดนี้คือ 1. ปฐมมกุศลสูตร 2. ทุติยากุศลสูตร 3. อุปัจเจเลสะสูตร 4. อนุปัจเจเลสะสูตร 5. อโยนิโสมนัิการะสูตร 6. โยนิโสมนัิการะสูตร 7. จวุฒิสูตร 8. อาวารณ์นิวรณ์สูตร 9. รุกสูตร 10. นิวรณสูตร 5. จักวัติวักหมวดว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งวิทาสูตรว่าด้วยมานะ เเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงที่ละมานะความถือตัวสามประการในอดีตได้ก็เพราะโพชอชงเจตประการที่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงเจริญทําให้มากแล้วสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงที่จักละมานะสามประการในอนาคตได้ก็เพราะโพ่อชงเจตประการที่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงเจริญ ทำให้มากแล้วสมณะหรือพราหมทั้งปวงที่ละมานะสามประการได้ในปัจจุบันก็เพราะโพชงเจ7ประการที่สมณะหรือพราหมทั้งปวงเจริญทำให้มากแล้วพโพชงเจ7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโอชงละถึง 7. อุเบขาสัมโอชงภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมทั้งปวงที่ละมานะสามประการในอดีตได้ ละถึงจักละละถึงละมานะสามประการในปัจจุบันได้ก็เพราะโพชชงเจตประการนี้ที่สมณะหรือพรามทั้งปวงเจริญทำให้มากแล้ววิทาสูตรที่หนึ่งจบ 2. จักรวัติสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักพัทภิกษุทั้งหลายเพราะพระเจ้าจักพัทธปรากฏแก้วเจดประการจึงปรากฏแก้วเจดประการอะไรบ้างคือ 1. จักแก้วสองช้างแก้วสม้ากแก้วสมณีแก้วหนางแก้ว6กข้าหบดีแก้ว 7. ปรินายกแก้ว เพราะพระเจ้าจักพัธปรากฏแก้วเจประการนี้จึงปรากฏเพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏแก้วคือผช้ชงเจ7ประการจึงปรากฏแก้วคือผู้ชงเจ7ประการอะไรบ้างคือ 1. แก้วคือสติสัมโูชงละถึง 7. แก้วคืออุเบกขาสัมโูชงภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏแก้วคือพ่ชงเจดประการนี้จึงปรากฏจักวัตติสูตรที่สองจบ 3. มมารสูตรว่าด้วยมารภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงทางสำหรับย่ายีมานและกองทับมานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทางสำหรับย่ายีมานและกองทับมานเป็นอย่างไรคือพ่อชงเจ็ดประการพ่อชงเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชงละถึงเจ็ดอุเบคาสัมโพชงภิกษุทั้งหลายนี้แลคือทางสำหรับย่ายีมานและกองทับมาน มารสูตรที่สจบ 4. ทุบ ป, ปัญญสูตรว่าด้วยเหตุให้คนมีปัญญาสามครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่ามีปัญญาสามเป็นคนเซมีปัญญาสามเป็นคนเซด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนาพระองค์ g, จึงตรัสว่ามีปัญญาสามเป็นคนเซพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุเรากล่าวว่ามีปัญญาสามเป็นคนเซ ก็เพราะโพชงเจประการที่บุคคลนั้นไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วโพชงเจประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชงละถึงเอุเบคาสัมโพชงภิกษุเรากล่าวว่ามีปัญญาสามเป็นคนเสอก็เพราะโพชงเจประการนี้อันบุคคลนั้นไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วทุก ป, ปัญญสูตรที่สี่จบ ปัญญาวันตัดสูตรว่าด้วยเหตุให้คนมีปัญญาภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่ามีปัญญาไม่เป็นคนเซมีปัญญาไม่เป็นคนเซด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระองค์จึงตรัสว่ามีปัญญาไม่เป็นคนเซพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุเรากล่าวว่ามีปัญญาไม่เป็นคนเซ ก็เพราะโพ่อชงเจ็ดประการที่บุคคลนั้นเจริญทำให้มากแล้วโพ่อชงเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมพโอชงละถึงเจอุเบคาสัมพโอชงภิกษุเรากล่าวว่ามีปัญญาไม่เป็นคนเซอะก็เพราะโพ่อชงเจ็ดประการนี้ที่บุคคลนั้นเจริญทำให้มากแล้วปัญญาวันตะสูตรที่หจบ ผลิตสูตรว่าด้วยเหตุให้เป็นคนจนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าคนจนคนจนด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระองค์จึงตรัสว่าคนจนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเรากล่าวว่าคนจนก็เพราะโพษชงเจตประการที่บุคคลนั้นไม่เจริญไม่ทำไม่มากแล้วพโพษชงเจตประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. สติสัมโพชฌงค์ละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภิกษุเรากล่าวว่าคนจนก็เพราะโพชฌงค์เจประการนี้ที่บุคคลนั้นไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วทลิตสูตรที่หจบ อจ็ลธิทธสูตรว่าด้วยเหตุให้เป็นคนไม่จนเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวถทีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าคนไม่จนคนไม่จนด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนาพระองค์จึงตรัสว่าคนไม่จนพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเรากล่าวว่าคนไม่จนก็เพราะพชชงเจ็ประการที่บุคคล น, นั้นเจริญทำให้มากแล้ว พ่ชงเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโภชงละถึง 7. อุเบกขาสัมโภชงภิกษุเรากล่าวว่าคนไม่จนก็เพราะพ่อชงเจ็ดประการนี้ที่บุคคลนั้นเจริญทำให้มากแล้วอัทลิทสูตรที่เจ็จบ อาทิตจะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทยัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใดกัลยาณมิตตาความเป็นผู้มีมิตรีก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งโพชงเจ็ประการชั้นนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิต มิตร ด, ดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญโพชฌงเจประการทำโพชฌงเจประการให้มากภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงเจประการทำโพชฌงเจประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกและถึงเจเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงเจ็ดประการทำโพชฌงเจ็ดประการให้มากอย่างนี้แหลอาทิจยสูตรที่8ดจบ กล่าวอัจฉติยังขสูตรว่าด้วยเหตุภายในให้โพ่อชงเกิดภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุภายในให้โพ่อชงเจ็ประการเกิดขึ้นเหมือนโยนิโสมนสัสการภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสัสการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญโพชงเจ็ประการทําโพชงเจประการให้มาก ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัิการเจริญโพชงเจตประการทำพโพชงเจตประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโอชงอันอาศัยวิเวกละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโอชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัสการเจริญผู้ชงเจตประการทำโู้ชงเจตประการให้มากอย่างนี้แลอาชัตติกังคสูตรที่9ก้าจบ 10. บพาหิรังคสูตรว่าด้วย เหตุภายนอกให้พ่ชงเกิดภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุภายนอกให้พ่อชงเจ็ประการเกิดขึ้นเหมือนกัลยาณมิตรตาภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญพชชงเจ็ดประการทำพ่อชงเจ็ดประการให้มากภิกษุผู้มีกรัลรยาณมิตรเจริญพ่ชงเจ็ดประการ ทำผู้ชงเจ็ประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสำมโ้ชงอันอาศัยวิเวกและถึงเจเจริญอุเบกขาสำผู้ชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัก ข, ขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชชงเจประการทำผู้ชงเจ็ประการให้มาก อย่างนี้แลพาหิรังขสูตรที่10จบจักวัตติวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. วิทาสูตร 2. จักวัตติสูตร 3. มารสูตร 4. ทุปัญญาสูตร 5. ปัญญาวันตะสูตร 6. ทธิตตสูตร 7. อธลิตตสูตร 8. อาธิจจสูตร 9. อาอชัตติกังคสูตร 10. ภพาหิรังคสูตร พชาา่ชียงค้าสาขัจักวักหมวดว่าด้วยการสนทนาเรื่องโภชง 1. อาหารรสูตรว่าด้วยอาหารของนิวรณ์และโภชงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาหารและสิ่งไม่ใช่อาหารของนิวรณ์หประการและโภชงเจประการแก่เธอทั้งหลาย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 หรือทำกรรมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำพยาบาตที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาต ท, ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นคือปฏิฆานิมิตมีอยู่การทำานาสุการโดยไม่แยกคายในปฏิฆานิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำพยาบาต ท, ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทาพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูนยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำถีนามิทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนามิทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูนยิ่งขึ้นคือความไม่ยินดีความเกียดคร้านความเมื่อยขบของร่างกายความเมาอาหารและความที่จิตหดหู่มีอยู่การรรานิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำถีนมิทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำอุทจักกุกุจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุทจักกุกุจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นคือความไม่สงบจิตมีอยู่การธรรนาสกานโดยไม่แยบขายในความไม่สงบจิตนั้นให้มาก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 การทำมนุษการโดยไม่แยกคลายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำวิจิกิชฌาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิจิกิชฌาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น อาหารของโู้ชงอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทําสติสัมโู้ชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําสติสัมโู้ชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นคือทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโู้ชงมีอยู่การทำมนุษยการโดยแยกคลายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทําสติสัมโู้ชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น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 คือความริเริ่มความภาคเพียนความบากบันมีอยู่การทรมนกิการโดยแยกคลายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำวิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิริยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำปีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทาปีติสมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ คือทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปิติสัมพูชงมีอยู่การทำอันนัสุการโดยแยบคลายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทําปิติสัมพูชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําปิติสัมพูชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทําปัสสติสัมพูชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําปัสสติสัมพูชงที่เก <raises S 2> <appealing S 2> ิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ คือความสงบกายความสงบจิตมีอยู่การรมนัสิการโดยแยกคลายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำปัสสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำปัสสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำสมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำสมาธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ คือสมาธินิมิตอภยคันนิมิตมีอยู่การทำมนุษย์กา ร, ร, รกโดยแยบคลายในนิมิตเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทําสมาธิสมโภชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําสมาธิสมโภชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทาําอุเบกขาสมโภชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําอุเบกขาสมโภชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่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 อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทําอุทจัจกุกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําอุทจัจกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นคือความสงบจิตมีอยู่การทำมนุษย์การโดยแยบคลายในความสงบจิตนั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทําอุทจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําอุทจัจกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทําวิจิกิจช้าที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําวิจิกิจช้าที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพ่บูญยิ่งขึ้นคือทําทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษเลวและประณีตเป็นฝ่ายดําและฝ่ายขาวมีอยู่การทำมนุสย์การโดยแยกคลายในธรรมเหล่านั้นให้มาก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 อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำธรรมวิจยาสสำโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำธรรมวิจยาสสำโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือทำทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษเลวและประนีตเป็นฝ่ายดาและฝ่ายขาวมีอยู่การไม่ทำมนุสิกาในธรรมเหล่านั้นให้มาก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 การไม่ทำมนุษย์กาในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทําปิติสัมพ่ชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําปิติสัมพ่ชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทําปัสสติสัมพ่ชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําปัสสติสัมพ่ชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือความสงบกายความสงบจิตมีอยู่ การไม่ทำมนุษย์การในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทําปัสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําปัสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทําสมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทําสมาธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือสมาธินิมิตอัพยคันิมิตมีอยู่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 2. ปริยายสูตรว่าด้วยเหตุที่นิวรณ์และโภชงอาศัยครั้นในเวลาเช้าภิกษุหลายรูปครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยวไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถียังเช้านักทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะดิรัตปริภาชก ครั้งนั้นแหลภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่รลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเด่ากล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณะโคโดมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละนิวรณหประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกําลังปัญญาแล้วเจริญพชงเจ็ดประการตามความเป็นจริงเถิดแม้แต่เราทั้งหลายกคแสดงทาแกาสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละนิวรณห้าประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกาลังปัญญาแล้วเจริญพชงเจประการตามความเป็นจริงเถิด ผูมีอายุทั้งหลายในธรรมเทศนาหรืออนุสาสนีนี้คือธรรมเทศนาของพระสมณะโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเราหรืออนุสาสนีของพระสมณะโคดมกับอนุสาสนีของพวกเราจะผิดแพลกแตกต่างกันอย่างไรครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของอัญญะเดรธิปริภาโชคเหล่านั้นลุกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่า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 เมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ทั้งหลายครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีได้มีความคิดอย่างนี้ว่า<ม>การเที่ยวไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถียางเช้านักทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกครั้งนั้นแหลข้าพระองค์ทั้งหลายจึงได้เข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรีปริภาชก ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพวกอัญญะเดรธีปริภาชกได้กล่าวกับข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคโดมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละนิวรณห้าประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกาลังปัญญา แล้วเจริญโพ้ชงเจ็ประการตามความเป็นจริงเถิดแม้แต่เราทั้งหลายก็แสดงทำแกสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละนิวรห้าประการอันเป็นความเศร้ามองแห่งจิตทอนกําลังปัญญาแล้วเจริญโพ้ชงเจ็ประการตามความเป็นจริงเถิดผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมเทศนาหรืออนุสาสนีนี้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 เราทั้งหลายจะรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษินี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้อัญญะเดรถีปริภาชกมีวาทะอย่างนี้เธอทั้งหลายควรถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายก็เหตุที่นิวรห้าประการอาศัยกลายเป็นสิบประการ และเหตุที่ผู้ชงเจประการอาศัยกลายเป็น14ประการมีอยู่หรือผวกอัญเชษธิปริภาชกถูกถามอย่างนี้แล้วจะไม่สามารถตอบได้จากถึงความลําบากอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกอัญเชษธิปริภาชกถูกถามในสิ่งอันมิใช่วิสัยภิกษุทั้งหลายในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก